เราทุกคนเปรียบเหมือนนอโบวเกลือกลัวคลาว้าโคลนกิเลสมายาเวียนวายลุ่มหลงเวียนวนวัฏสงสารกว่าจะพ ล, ลกรกรรมสายน้ำเวียนทุกระธม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 ชาพระมาหาบัวแหวกว่ายเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อนานจะเป็น